ช่วงนี้ที่สุขโตก็มีคณะนักศึกษาจากอเมริกามาพักประมาณ 3-4 คืนเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโทเพราะฉะนั้นก็มีหลายวัอยอายุตั้งแต่20กว่าถึง50ที่เข้ามาก็เป็นการมาเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติโดยพราะที่เขาสนใจมากคือ บทบาทของพุทธศาสนานะกับการอนุรักษ์ธรรมชาติอันนี้ก็เป็นโครงการที่แตกย่อยออกมาของหมหาวิทยาลัยไมอามีนะแต่ไม่ได้อยู่ฟลอริดาอยู่โอไฮโอเป็นหมหาวิทยาลัยที่ระดับปริญญาโทนี่ให้ความสําคัญกับเรื่องการเรียนรู้จากธรรมชาติมากไม่ใช่มาเฉพาะที่เมืองไทยอย่างเดียวนะเขาก็มี โครงการย่อยไปยังประเทศอื่นด้วยนะเช่นนามิเบียออฟริกาคอสตาริกามองโกเลียเบลีสอินเดียออสเตรเลียเยอะเลยเรียกว่าทั่วโลกนะแต่ผู้จัดจก็บอกว่าเนี่ยที่ประเทศที่ได้รับความสนใจมากนะจากนักศึกษาของเขาคือประเทศไทยส่วนหนึ่งก็เพราะว่า ยังมีป่าที่อุดมสมบูรณ์อยู่หลายแห่งก่อนมาสุกโตเขาก็แวะไปอยู่ที่เขาใหญ่ส4มสวันก็ตื่นตาตื่นใจมากเพราะว่าเขาใหญ่นี่เป็นทิยานที่ยังมีป่าหนาแ น, น่นได้เห็นช้างได้เห็นลูกช้างในสภาพธรรมชาติ ได้เห็นนกเงือกนะซึ่งหาดูได้ยากแต่นอกจากเรื่องสีสันของธรรมชาติาก็อยากจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมะกับธรรมชาติด้วยซึ่งก็เป็นจุดเด่นของพุทธศาสนาแต่ว่าที่เด่นอย่างนึ้งก็คือบทบาทของพุทธศาสนากับการอนุรักษ์ธรรมชาติที่นี้หลวงพ่อมเขียนท่านก็เป็นแบบอย่าง ของการรักษาป่าแล้วก็ไม่ได้จำกัดเฉพาะที่สุขกโตนะแต่ขยายไปถึงภูหลงแล้วกระจายไปยังเพื่อนที่อื่นบนหลังเขานี้จึงเกิดโครงการธรรมญาตราขึ้นนะแต่นอกจากความสัมพันธ์กับธรรมชาติในฐานะในักษณะการอนุรักษนะ์ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ ของโลกทวนันนีแลนด์เขาก็ยังอยากจะรู้ว่าชาวพุทธเราในเพราะพระสงค์เนี่ยได้เรียนรู้อะไรจากธรรมชาติเพราะอย่างที่รู้กันนะว่ามีในพุทธศาสนาก็มีพระมีวัดป่าที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติเดิมก็ไม่ได้อยู่เพื่ออนุรักษ์ธรรมชาตินะเพราะว่าธรรมชาติมันดีอยู่แล้วแต่มาอยู่ป่าเพื่อได้อาศัยป่าในการได้เรียนรู้สัจธรรม รวมนั่งได้เรียนรู้สัจธรรมที่มีอยู่ท่ามกลางธรรมชาติด้วยวันนี้เขาก็ไปปลีกวิเวกในในป่านะที่ภูกลางเนี่ยไม่ไกลาจากที่นี่เป็นเขาอีกลูกหนึ่งนะที่มีป่าก็เรียกว่านับพันไร่ก็ขนาดพอดีๆนะสาหรับการไปปลีกวิเวกแยกตัวกันไปอยู่ในป่าตามลาพัง แต่ก็ไม่ไกลกันเท่าไหร่เพื่อได้สัมผัสกับธรรมชาตินะด้วยตัวเองแล้วก็เป็นการสัมผัสกับธรรมชาติแบบอาศัยธรรมะเนี่ยเป็นเป็นสื่อนะในการเชื่อมโยงระหว่างตนเองกับธรรมชาติก่อนที่เขาจะไปปีเวื่องในป่าเนี่ยเมื่อวานเขาก็ได้มาเรียนรู้เรื่องการเจริญสติ ได้เรียนรู้วิธีการที่จะอยู่กับปัจจุบันซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นเครื่องมือก็ได้ในการที่ทําให้เราอยู่กับตัวเองได้อย่างมีความสุขในที่พอปีวิเวกในป่าเนี่ยได้อยู่คนเดียวก็เปิดโอกาสให้เขาเปิดโอกาสให้ตัวเองได้อยู่กับตัวเองอยู่กับธรรมชาติหยุดเขียนหนังสือหยุดอ่านหนังสือหยุดวางแผนอะไรทั้งสิ้นนะให้อยู่กับตัวเองหรือพูดให้ถูกคือให้อยู่กับปัจจุบัน รับรู้ถึงสิ่งที่อยู่รอบตัวเราเรียกว่าเปิดใจรับรู้ให้เต็มร้อยโดยที่ไม่ต้องเอาใจไปนึกถึงเรื่องอื่นไม่ว่าจะเป็นที่บ้านไม่เ ป, เป็นเรื่องงานการเปิดใจรับรู้ถึงสิ่งที่อยู่รอบตัวแล้วก็มาเรียนรู้หรือมาดูกายและใจของตัวด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องการเจริญสติทำความรู้สึกตัว พอถ้าเรารู้สึกตัวอย่างของแท้เนี่ยมันก็จะรับรู้โลกภายนอกจากขในเดียกันก็รับรู้ความเป็นไปของกายและใจเลยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะสำหรับคนที่อยู่ับความคิดเนี่ยเกือบตลอดทั้งชีวิตแล้วก็ปล่อยให้ใจลอยไหลไปตามความคิดในการที่มาอยู่กับปัจจุบันที่นี่เดี๋ยวนี้และแถนต้องอยู่ท่ามกลาง ป่าซึ่งในสายตาคนจำนวนมากก็คือเป็นป่าที่รกแล้วก็ยิ่งเป็นสิ่งที่ไม่คุ้นเคยก็อาจจะมีความตื่นกลัวไม่แน่ ใ, ใจยิ่งส่วนใหญ่ที่มาที่นี่เนี่ยก็เรียกว่าเป็นผู้ที่คุ้นเคยกับธรรมชาติอยู่แล้วแต่เป็นธรรมชาติที่บ้านตัวเองที่อเมริกาบางคนก็ปีนเขาบางคนก็เดินป่าเป็นประจา แต่ป่าในอเมริกากับป่าบ้านเรามันต่างกันมากป่าของบ้านเรามันป่าเขตร้อนแล้วก็มันอุ ด, ดมไปด้วยสิงสาราสัตว์แล้วก็มแมลงน า, นานาชนิดยิ่งเป็นที่ที่ไม่คุ้นเคยก็อาจจะมีความกลัวมีความวิตกนะซึ่งก็เป็นเรื่องดีนะที่มันโผล่มาให้เราได้เรียนรู้ถ้ามันไม่โผล่มาเลยไม่ว่จะเป็นความคิดหรืออารมณ์ มันก็ไม่มีโอกาสได้รู้จักตัวเองอย่างแท้จริงแล้วก็ไม่มีโอกาสเชื่ได้ฝึกสติพอสติจะฝึกได้ก็ฝึกจากนี่แหละจากความคิดจากอารมณ์จากเวทนาหรือความรู้สึกที่เกิดขึ้นรวมทั้งจากสิ่งที่อยู่รอบตัวเราเรียกว่ารูปรถกลิ่นเสียงสัมผัสเมื่อกระทบแล้วนี่เราจะมีความรับรู้ รับรู้โดยใจเต็มร้อยยิ่งรู้โดยที่ไม่ต้องปรุงแต่งหรือเขาเรียกว่ารู้เฉยๆมันก็เป็นเรื่องยากแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่ควรจะเรียนรู้ว่าทั้งหมดนี้ก็ไปปีวเว้อยู่ในป่า 3-4 สี่ชั่วโมงออกจากการปีวเว้ก็มานั่งคุยกันหลายคนก็ได้เห็นตัวเองดีชัดเจนขึ้นเห็นความกลัวเความวิตกกังวล แต่บางคนก็ได้พบความสงบสงัดแต่ส่วนใหญ่ก็ใหม่ๆก็รู้สึกว่าวุ่นนะความคิดมันกระเจิดกระเจิงซึ่งก็เป็นธรรมดาคนเวลาเวลาอยู่กับตัวเองเนี่ยถ้าไม่เอาถ้าไม่มีอะไรทําไม่มีหนังสืออ่านไม่มีเพลงฟังจิตมันก็ว่างเนี่ยมันไม่มีอะไรตรึงจิตนะพอไม่มีอะไรตรึงจิตเนี่ย หรือไม่มีจุดสนใจให้จิตเนี่ยมันก็ตรลิดได้ง่ายยิ่งถ้าไม่มีสติที่รวดเร็วฉับไวมันก็ยิ่งฟุ้งกระเจิงอันนี้ก็เป็นบทเรียนที่ทําให้ได้เห็นนะว่าการอยู่กับตัวเองนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็จำเป็นนะมีสิ่งหนึ่งที่หลายคนเขาพบก็คือว่าเนี่ยในป่านี่มแมลงมันเยอะมากเลย ทั้งยุงทั้งแมลงวีทั้งมแงงมลงสารพัดแล้วก็หลายคนก็ก็รู้สึกว่าราคาญนะแต่จริงมันก็เป็นบทเรียนนะเพราะว่าไอ้มแมลงเนี่ยที่มันที่มันสร้างความรำคาญให้กับเราเนี่ยเป็นเพราะเรา ไม่ยอมรับมันเมื่อใ่ก็ตามที่เรายอมรับหรืออนุญาตให้มแมลงเนี่ยมันเป็นเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเราในป่าเนี่ยในความรู้สึกลาคาญมันก็จะลดลงส่วนใหญ่เนี่ยมีความลำคาญหรือมีความหงุดหงิดเนี่ยเพราะว่าใจมันไม่ยอมรับไม่ยอมรับการมีอยู่ของมแมลง ซึ่งเป็นเรื่องธรรมดามากในป่าหรือแม้แต่ที่นี่ก็ตามเนะเวลาเราเห็นแมลงมันบินหรือว่ามดมากวนเนี่ยจริงถ้าเราอนุ ญ, ญาตให้เขามาเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ของเราเนี่ยมันก็ไม่ไม่รู้สึกรำคาญนะก็บอกก็ไปว่าจริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเปิดใจยอมรับหรืออนุ ญ, ญาตให้ มแมลงพวกนี้มันมาเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ของเราเนี่ยไอ้ความรังคามก็จะลดลงพวกเราคือต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับมแมลงถ้าเราเรียนรู้ที่จะอยู่กับมแมลงได้เนี่ยมันก็จะเกิดความสันติสุขก็ได้นะหรือความสงบแต่ที่ความไม่สงบมันเกิดขึ้นเพราะเราไม่รู้จักอยู่กับมแมลงเหล่านั้น พอเห็นมันก็รู้สึกลำคานขึ้นมาทันทียอมรับไม่ได้้การยอมรับที่สำคัญนะหรือการอนุญาตให้มันให้มันเกิดขึ้นให้มันผ่านเข้ามาเนี่ยพอถ้าเราไม่ยอมรับอนุญาตนี่มันก็เกิดความหงุดหงิดลำคานที่จริงแล้วเนี่ยมันมีแมแลาอีกเช่นนิดนึงนะที่มันรบกวนเราไม่ว่าจะแม้จะอยู่ในเมืองก็ตามแม้จะอยู่ห่างไกลจากป่า แมลงชื่ว่าคือแมลงในใจของเรานะั่นแหละคืออะไรคือความคิดนั่นแหละอยู่ในป่าก็มีแมลงบินว่อนแต่อยู่ที่ไหนก็ตามแม้ทั้งอยู่ที่วัดอยู่ที่อยู่ในเมืองเนี่ยมันก็มีแมลงในใจของเรานะคือความคิดที่ไม่ได้เชื้อเชิญความคิดที่ไม่ได้ตั้งใจคิดพวกนี้ก็เปลี่ยนเหมือนกับแมลงนะเพียงแต่ว่ามันไม่ได้อยู่นอกตัวเรามาอยู่ในใจเรา แล้วว่าอยู่ที่ไหนเนี่ยเราก็ต้องเจอกับมแมลงชนิดนี้แหละอันนี้หลายคนเนี่ยพอเจอมแมลงภายในใจเนี่ยเกิดความรู้สึกลำคาญนั่นเป็นเพราะอะไรนะเป็นเพราะว่าใจเนี่ยมันปฏิเสธมันผักสายมันไม่ยอมรับเราไม่รู้จักเรียนรู้ที่จะอยู่กับมัน เราเลยรู้เท่าอยู่กับมันเริ่มโดยการยอมรับมันอนุ ญ, ญาตให้มันเกิดขึ้นได้มันก็ไม่ทุกนะความคิดที่มันผุดขึ้นมาโดยที่เราไม่ได้เชื้อเชิญเนี่ยหรือเราไม่ได้ตั้งใจคิดเนี่ยจริงจมันก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่แย่อะไรเลยแต่ทำไมเราทุกนะเพราะเราไม่ยอมรับเราไม่ยอมอนุญาตให้มันเกิดขึ้น เราไม่ได้เรียนรู้ที่อยู่กับมันทั้งที่มันเป็นธรรมดาในป่าก็มีมแมลงในหัวเราก็มีความคิดหลายคนเนี่ยลำคาญก็เลยมามาวัดเพื่อจะมาฝึกสติมาทำสมาธิด้วยความคาดหวังว่าเนี่ยทำแล้วมันก็จะไม่มีความคิดอยู่ในหัว พูดคือมาปฏิบัติเพื่อดับความคิดซึ่งนี่คือความเข้าใจที่ผิดนะอันนี้พูดไปแล้วเมื่อวานนะความเข้าใจที่ผิดอันดับหนึ่งอันดับต้นๆเลยนะของคนที่มาปฏิบัติธรรมคือปฏิบัติเพื่อดับความคิดเพื่อไม่มีความคิดในหัวเพราะคิดว่าพอมีแล้วมาลำคานจริงความลงคานไม่ได้เกิดจากความคิดหรอกแต่มันเกิดจากการที่เราไม่ยอมรับมัน เมื่อนคนที่อยู่ในป่าเนี่ยเวลาเจอมแมลงแ ล, ล้วลำคาญเนี่ยไม่ใช่เพราะตัวมแมลงหรอกแต่เป็นเพราะเราไม่ชอบมันเราไม่ยอมรับมันแต่พอเราเปิดใจยอมรับมันนะแม่มันจะบินว่อนไปว่อนมาเราก็ไม่ได้หงุดหงิดอะไรไอ้ความคิดในหัวก็เหมือนกันนะมันห้ามไม่ได้มันเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นเช่ในใกับแมลงในป่า ความคิดในหัวเป็นสิ่งที่ห้ามไม่ได้แต่เราเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันได้ด้วยการยอมรับนั่นที่เรามาเจริญสตินี่ก็เพื่อเรามาฝึกให้ให้เห็นว่าความคิดในหัวเป็นธรรมชาติรวมทั้งอารมณ์ที่เกิดขึ้นตามมาด้วยเรียนรู้ที่จะยอมให้มันเกิดขึ้นได้หลายคนที่มาเจริญสติทำสมาธินี่พอคิดว่า มาเพื่อดับความคิดเนี่ยสิ่งที่ทำอันดับแรกคือพยายามบังคับจิตไม่ให้คิดอันนี้เพราะว่าไม่ยอมให้มีความคิดเกิดขึ้นแต่หลวงว่าเทียนนี้ท่านสอนอีกอย่างหนนสอนวันนี้จะไปห้ามความคิดอย่าไปห้ามความคิดอย่าไปบังคับจิตไม่ให้คิดยอมให้มันเกิดขึ้นมันคิดก็คิดไป หน้าที่ของเราคือว่ารู้ทันนั้นแล้วพอรู้แล้วก็รู้เฉยๆนะไม่ผักใสไม่กดขม่มส่วนใหญ่เนี่ยเราพอเราไม่ชอบให้มีความคิดเกิดขึ้นเนี่ยเราก็จะเริ่มจดจากเริ่มต้นจากการบังคับจิตไม่ให้คิดแต่เม่ว่าบังคับยังไงมันก็ยังคิดอยู่นั่นแหละอันนี้พอมีความคิดเกิดขึ้นก็เลยบังคับก็เลยพยายามกดข่มมันไม่ให้คิดพยายามกดข่มมันเพื่อผักใสมัน เสร็จแล้วก็เครียดเพราะว่าทายังไงก็ไม่สำเร็จยิ่งกดขม่มมันก็ยิ่งผุดโพ่ mm hmm. เหมือนกับยิ่งห้ามก็เท่ากับยิ่งยุอันนี้เรียกว่าไม่รู้จักอยู่กับความคิดและอารมณ์ถ้าเรารู้จักอยู่กับมันเนี่ยเออมันมาเราก็แค่เห็นมันเฉยเฉยคลิดรับอย่างนี้แหละมามันเกิดขึ้นก็เห็นมันไม่เข้าไปผักใสหรือไหลตามมัน อันนี้เป็นวิธทีทำให้เราอยู่กับความคิดและอารมณ์ที่เกิดขึ้นได้บางทีมันจะอาจจะมีความเบือ่ออาจจะมีความหงุดหงิดอาจจะมีความรู้สึกซึมก็แค่ยอมรับมันแม้กระทั่งความรู้สึกสังกตายเนี่ยหลายคนเนี่ยเคยมีความเบิกบานแจ่มใส แต่แล้วต่อมาอยู่ดีๆก็เกิดความรู้สึกสังกัดตายเบื่อโหเป็นทุกข์มากเลยทำยังไงก็ไม่หายแต่พอเราเรียนรู้ที่จะยอมรับมันพอยอมรับมันได้อันนี้ให้มันเกิดขึ้นได้เอือมันก็หายทุกข์ที่หายทุกข์นี่ไม่ใช่เพราะมันเพราะมันหายไปนะมันก็ยังอยู่แต่ใจไม่ผักใสมันแล้วใจยอมรับมันได้อันนี้ก็ทํานองไมเพราะมันเวลาอยู่ปต่ใจไม่ักมัแยมรัมนามันกมื่มา เราห้ามมันไม่ได้นะไม่มีป่าพื้นที่ไหนที่มันไม่มีมแมลงแต่ถึงแม้มันมาเราก็อยู่กับมันได้ด้วยการยอมรับมันแล้วเดี๋ยวนี้มันก็ไม่ใช่มีแค่มแมลงมันก็มีเชื้อโรคเดี๋ยวนี้ต่ก่อนเราเคยคิดว่าเราจะกําจัดเชื้อโรคไปจากโลกมนุษย์ได้นะอันนี้คือความคิดเมื่อ6 0ส0เจดสิปีก่อนตอนที่ตื่นเต้นนะ กับการมียาปฏิชีว น, นะกับการค้นพบวัคซีนต่างๆมากมายรวมทั้งดี t ีคิดว่าเราจะเอาชนะเชื้อโรคได้แต่ตอนนี้เรายอมรับแล้วว่าไม่มีทางเอาชนะมันได้ไม่มีทางกาจัดมันให้ออกไปจากโลกได้หรือออกไปจากชีวิตของเราได้แล้วทายัางไงนะก็เียรู้ที่จะอยู่กับมันแต่อยู่กับมันด้วยการเพิ่มภูมิคุ้มกันให้ดีขึ้น พอเราสร้างภูมิคุ้มกันของรเราให้มันแข็งแรงให้มันรวดเร็วเชื้อโรคมาภูมิคุ้มกันก็เอาอยู่บันที่ภูมิคุ้มกันก็ไม่ได้เอามันตายนะเพียงแค่จํากัดบริเวณของมันไม่ให้มันอาราวาดอย่างในตัวเราเนี่ยในร่างกายเราเนี่ยอาจจะมีเชื้อวัณโรคอยู่ก็ได้นะคนประมาณหนึ่งในสมหรือหึในสประชากรโลกเนี่ยมีเชื้อวัณโรค อยู่ในตัวอาจจะอยู่ในปอดแต่ทําไมไม่ป่วยนะเพราะว่าภูมิคุงกันเราเนี่ยคุมมันเอาไว้ได้ก็อาจจะหมายถึงมะเร็งด้วยนะบางคนก็มีมีเซลิมมะเร็งอยู่ในตัวแต่ว่าทําไมไม่เป็นมะเร็งก็เพราะว่าภูมิคุ้มกันเนี่ยยังคุมมันอยู่ได้ถ้าภูมิคุ้มกันเราไม่พอเราต้องสร้างหรือเสริมขึ้นมาด้วยการฉีดวัคซีนหรือว่ากินอาหารบางชนิดรวมทั้งอาจจะเติมแบคทีเรียบางประเภทเข้าไปด้วย เช่นเดียวกันในความคิดและอารมณ์นะที่มันที่ไม่ได้เชื้อเชิญเนี่ยถามว่าเราต้องต้องการเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันเราก็ต้องถ้าเราจะเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันโดยไม่ทุกข์ได้เนี่ยเราก็ต้องเสริมสร้างภูมิคุ้มใจขึ้นมาภูมิคุ้มใจเรามีอยู่แล้วคือสติสติมันเป็นเครื่องมือที่ทำให้เราเนี่ย ที่ช่วยรักษาใจไม่ให้ความคิดและอารมณ์เนี่ยเข้ามารบ ก, กวนแต่สติของเราส่วนใหญ่เนี่ยมันมันอ่อนแอมันไ ม, ไม่ไม่สามารถคุมการจิตได้ดีพอความคิดและอารมณ์ต่า ง, างก็เลยเข้ามาเล่นงานเล่นงานในความหมายที่ว่าใจเราพอไม่มีสติมันก็เกิดอาการปฏิเสธผักใสความคิดและอารมณ์ต่างๆไม่รู้จักการเห็นแต่ เผลอเข้าไปเป็นเข้าไปยึดเมื่อมันเกิดขึ้นเราจะเห็นมันโดยที่ไม่ค่อยไปเป็นเนี่ยก็ต้องอาศัยสติแตถ้าสติเราอ่อนก็เหมือนกับเรามีภูมิคุ้มกันในใจที่ยังไม่แข็งแรงแล้วเราจะทํางานก็เสริมสร้างภูมิคุ้มกันในจิตใจให้มากขึ้นโดยการเจริญสติให้มีความเข้มแข็งปราดเปรียวพอเรามีสติที่เข้มแข็งเนี่ย มันก็จะช่วยทําให้เราเนี่ยหรือใจเราเนี่ยอยู่กับความคิดและอารมณ์ต่างๆได้แม้มันจะมีความคิดบางอย่างไม่ได้เชื่อเชยเข้ามาแถมพ่วงพาอารมณ์ที่เป็นอกุศลตามมาอยู่เช่น ค, ความโกรธความโศกความเศร้าวความหงุดหงิดความพิจต ก, กังวลหรือแม้กระทั่งโลภะกำหนัดราคะไอ้พวกนี้เราถ้าเราเกี่ยวข้องมันไม่เป็นมันก็เล่นงานเราจนแย่ไปเลย บางทีใจทุกข์ไม่พอนยังไปสร้างความทุกข์ให้กับผู้อื่นแต่พอเรามีสติที่เร็วแข็งแรงมีความสึกตัวที่ต่อเนื่องใจก็อยู่กับความคิดอารมณ์พวกนี้ได้ผุดขึ้นมาแต่มันทำอะไรใจไม่ได้เพราะว่าแค่พราใจเราเนี่ยแค่วางระยะห่างจากมัน เหมือนกับไฟเนี่ยไฟมันถึงแม้จะยังไม่ดับนะแต่ว่ามันไม่ทำความทุกข์ให้กับเราตราบใดที่เรายืนอยู่ห่างมันถ้าเราอยู่ห่างมันห่างมันไกลเท่าไหร่ไฟแม้จะลุกนะเราก็ไม่ร้อนแต่แม้จะเป็นไฟกองเล็กๆถ้าเราเข้าไปอยู่ใกล้มันเราก็ร้อนบางทีไม่ใช่แค่อยู่ใกล้ ถล่มหรือกระโดดลงไปในกองไฟก็ยิงแย้เข้าไปอย่อันนี้คือไอ้ไฟนี่คือรก็คือไฟโทสะคือไฟราคะหรืออารมณ์ถึงความโศกเศร้าไฟแห่งความทุกข์มันเกิดขึ้นมาในใจแต่ว่าเราไม่ทุกข์ก็ได้ถ้าเราอยู่อยู่ห่างจากมันอันนี้เรคือความหมายว่าเนี่ยเวลามีทุกข์แล้วก็เห็นทุกข์ไม่เป็นทุกข์ มีความทุกข์เกิดขึ้นมีความคิดอกุศลเกิดขึ้นเห็นมันนะไม่ค่อยไปเป็นมันเห็นได้ยังไงนะก็เพราะมีสติวพระนั้นเนี่ยแม้มันจะความคิดหรืออารมณ์หรือความทุกข์เกิดขึ้นในใจแต่ว่าใจไม่ทุกข์ด้วยนะเรียกว่าอยู่กับมันได้แต่อยู่กับมันในลักษณะที่ไม่ไม่ถูกมันครอบงา เราต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับพวกนี้นะให้ได้นะกราบใดที่ยังเป็นปุถุชนอาจจะยังยังไม่สามารถห้ามความคิดอารมณ์เหล่านี้ได้มันยังเกิดขึ้นอยู่เพราะเรายังมีอวิชชาพอมีการกระทบเกิดขึ้นมันก็เกิดอารมณ์โกรธเศร้านะเสียใจหงุดหงิดตามม า, าแต่ว่ามันเกิดขึ้นแล้วแต่ว่าใจไม่เป็นทุกขนะ์ เพราะว่าหนึ่งเรายอมรับมันเราไม่ปฏิเสธไม่ผักใสซึ่งเป็นเรื่องยากนะเพราะว่าคนเราเนี่ยมันมีแนวโน้มที่จะไปรวมลันพันตัวกับอารมณ์เหล่านี้เหมือนกับเวลาเจอมแมลงก็อยากจะไปปัดไล่มันบางทีก็ตกมันได้ซ้ำในการที่เราจะยอมให้มันมาบินวนเวียนอยู่รอบตัวเรามันยาก แต่ถ้าเรายิ่งมุ่งมิตรลำคาเรายิ่งทุกข์ไอความคิดก็เหมือนกันนะแม้มันจะอยู่ภายในหัวเราแต่ถ้าหากเราไม่ยอมรับมันเราไปรวมรันพันตัวกับมันให้เราความความทุกข์ก็เกิดขึ้นในใจหรือบางทีไปหลงนะหลงไปยึดหลงยึดความคิดเหล่านั้นอันนี้เราเข้าไปเป็ น, นก็ยิ่งทุกข์เข้าไปใหญ่อันนี้เรียกว่าทุกข์เพราะความคิด คนเราทุกเพราะความคิดแต่จริงแล้วเนี่ยพูดอย่างนั้นไม่ถูกนะเราไม่ได้ทุกเพราะความคิดหรอกแต่เราทุกเพราะไม่รู้ทันความคิดต่างหาความคิดถ้ามันเกิดขึ้นเรารู้ทันนะมันทำอะไรเราไม่ได้แถมเราได้ประโยชน์จากมันน้วนะเออทำให้เรารู้ว่าเออเรายังมีความคิดแบบนี้อยู่เรายังมีมุมมองแบบนี้อยู่ก็ทำให้เราระมัดระวัง เพราะแม้เราจะปฏิบัติตนดีอย่างไรแนละ้วบางทีมันมีความคิดที่ไม่ดีเกิดขึ้นนะความอิจฉาความคิดร้ายต่อเพื่อนบางทีมันมีใจนะความคิดตาหนิพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลายคนไม่รู้นะพาะไม่เคยเห็นไม่เคยรู้เท่าทันทั้งที่มันมีนะแต่ไม่รู้ไม่เห็นนะแต่ถ้าเกิดเมื่อก็ตามที่มันเกิดขึ้นแล้วเราเห็นมันเอ อ, อย่างนั้นเราก็รู้นะเออมันมีความคิดแบบนี้นะ เราก็จะได้รู้ว่าเราก็ไม่ได้เป็นคนวิเศษวิโสเราก็ยังเป็นปุถุชนแต่ขณะโดยกันเราก็พยายามรักษาใจเราไม่ให้ความคิดเหล่านี้ครอบงำก็เรียกว่าได้ประโยชน์จากความคิดเหล่านี้แหละที่ทำให้เราหันมาพัฒนาตนให้มากขึ้นด้วยความไม่ประมาด้วยความรู้เท่าทันกิเลสในใจ